Bye. Uh. มาก็ไม่ได้เตรียมเรื่องอะไรมาพูดหรอกเพราะว่าวันนี้ก็ตั้งใจจะฟังแผ่นจากครูบาอาจานมากกว่าแต่อะไรอะไรก็ไม่เที่ยงคอมก็ตอนนั้นก็เจ๊งตอนที่อาจารไปสารจะเทศตอนเช้าทีหนึ่งแล้ววันนี้ก็อาจจะไม่พร้อมอัตมาก็จะพูดเท่าที่ตัวเองนึกได้ก็แล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้วางเรื่องอะไรเล ย, เ, ลยเมื่อเช้าที่ศาลานาอมาก็พูดเรื่องเกี่ยวกับการพึ่งตัวเองเพราะยุคนี้คนจะไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พึ่งของนอกตัวกันมากอย่างตุ๊กตาลู ก, ลกเทพเนี่ยตอนนี้กำลังฮิตมากเลยตัวเดงมต้งหลายพันบางรุ่นตัวเป็นหมื่นเฉียดแสนถ้าลงอาคมดีๆนะคนก็เห่อกันเอาไปเลี้ยงเป็นลูกเพื่อจะได้มีโชคลรราภและมีความมั่นคงซึ่งอาตมา ก, ก็ดูว่ามันก็เห่ออยู่พักหนึ่งเดี๋ยวก็ซบเซาลงไปเหมือนกับจตุคามราระเทพเมื่อก่อนก็มีกระแสแรงมากเลยเพราะว่า พวกเล่นพระเนี่ยเขาจะปั่นไงเนขาจะสร้างกระแสให้คนเนี่ยได้รับความศักดิ์สิทธิ์ของจัลลุคามมีโช็กโกแลตอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ปลูกปั่นไงมีหน้ามา้าแล้วก็ทําให้คนเนี่ยหันมาเช่าอุตจรุลทธ์แล้วตอนนั้นแต่ก็มีเศรษฐีบางคนก็เจ๊งไปเพราะจัลลุคามก็เยอะคือว่าซื้อระกร ก, กตุนแล้วราคาลงก็เจ๊งไปตุก๊กตาลูกเทพก็เหมือนกันส่วนใหญ่ก็ผลิตจากเมืองนอกไม่ได้ผลิตในเมืองไทย ราคาเป็นเป็นพานเนีนก็ถือว่าสูงคนไทยชอบหวยถ้ามีเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือมีอะไรที่ไหนดีก็ตามไปเพราะส่วนมากคนชอบเล่นหวยใต้ดินกันพึ่งพาสิ่งนอกตัวแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเน้นให้เราเนี่ยพึ่งพาตนเองทิสัยคนไทยบางทีชอบเอาเงินอนาคตไปใช้เราไม่มีตังล้วก็ซื้ออะไรก็ผ่อนหมดอะซื้อมือถือก็ผ่อนซื้อบ้านก็ผ่อนซื้อรถก็ผ่อน บางครั้งแต่งงานยังผ่อนเลยผ่อนพ่ะตาแม่ยายก็มีพอคนคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือเอาเงินอนาคตไปใช้ไม่ใช่เอาเงินปัจจุบันแล้วปัญหาก็ตามมาแล้วทีนี้ก็เครียดชีวิตก็ไม่มีความสุขแล้วก็มีหลายคนคิดแบบนี้พระสมัยนี้ก็เดินออกนอกทางกันเยอะคือบางคนก็หานมาเล่นรถกันเดี๋ยนี้พระแต่ละวัดเนี่ยก็จะมีรถกันบางวัดน่ยมีรถกันท้งทุกคนเลยใครไม่มีก็เชยซื้อรถมือสองมือสา ม, มาเล่นกัน เล่นไปที่ต้องเติมน้ํามันเนี่ยเสียก็ต้องบำรุงซ่อมพี่ก็ต้องหาเงินแล้วทีนี้พอมีรถก็ต้องมีเงินอื่นตามมาเพียบคือเดือดรอดนอกทางของการใช้ชีวิตนักบวชอันนี้ก็เห็นได้บางคนเงินไม่พอก็ต้องเที่ยวตะเวนยืมคนด่นคนนี้คนที่ยืมเงินคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่รู้จักหรือไม่สนิทเนี่ยบางทีไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีหรอกแต่ฟาร์มที่ฟาร์มยากฟาร์มโลภเัาทําได้หมดบางทีสามารถหลอกลวงได้ต้มตุ๋นได้สังเกตนะ คนที่โลภเนี่ยมักจะเป็นเหยื่อของวิชาชีพถ้าไม่โลภเนี่ยวิชาชีพหลอกไม่ได้เลยบางทีหลอกกับพัคเครื่องมาขายออ่งแพงๆบักเก้บักเกอะแล้วถ้าดูภาพเป็นก็เห็นว่าโอ้โหซื้อแล้วได้กำไรอย่างเงี้ยก็หลวมตัวเสียตังค์แล้วสมภารบางวัดเนี่ยโดนโดนโด น, โดนพวก18มงกต้มตุนให้เป็นเนี่ยเป็นเป็นพักครูพครูเอาตาแหน่งมาล่อให้เสียเงินทีงเป็นหมื่นเป็นแส น, น, ยนอย่างเงี้ยจะวิ่งเต้นหาตาแหน่งให้ แล้วพอได้เงินปุ๊บมันก็เชิดหนีไปเลยเห็นลงข่าวหลายรายแล้วส่วนใหญ่ที่ทําำจะเสียรู้เพราะความโลภเป็นเหตุทั้งนั้นแต่ถ้าเราไม่โลภเนี่ยถ้าเราไม่โลภนะใครก็มาหลอกเราไม่ได้ว่าเราไม่อยากได้ของคนอื่นอยู่แล้วเราพอใจสิ่งเรามีอยู่พอใจในชีวิตของเราเราไม่เราไม่มีตังเราก็ไม่ซื้อส่วนมากคนที่ทําอย่างนั้นก็มีปัญหาหมดแหละเอาตังอนาคตมามาใช้ก่อนใช้ล่วงหน้า ถ้าผู้หญิงเนี่ยได้สามีแบบนี้ชีวิตก็สวยตลอดชาติหรือผู้ชายได้มีอที่คิดแบบนี้อ่ะชีวิตก็ไม่รุ่งเหมือนกันพวกเอาเงินอนาคตมาใช้แทนที่เอาเงินปัจจุบันมาใช้มงคลชีวิตเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้มีธรรมะสี่ประการคือมีสัจจะมีธรรมะมีขันติและมีจาระถ้าใครมีสอย่างนี้ได้เนี่ยการใช้ชีวิตก็จะมีความสุข ชีวิตก็ยังมีปัญหาอย่างสัจจะเนี่ยก็คือเป็นคนที่จริงใจซื่อตรงต่อครอบครัวซื่อตรงต่อญาติพี่น้องต่อเพื่อนเป็นคนที่ไม่หลอกลวงคนอื่นแล้วก็พูดอะไรแล้วก็ทําตามคําพูดอะแต่ทําตามเป็นเรื่องที่ดีนะเรื่องเท่ชั่วอาจจะไปเสกก็ได้เพราะสัจจะเนี่ยใครมีชีวิตก็มีคนเชื่อถื อ, อมีเครดิตคนไม่มีสัจจะพูดกับใครเขาก็ไม่เชื่อถือ ไปยืมตังค์ใครเขาก็ไม่เชื่อไปตกลงสัญญาอะไรใครไว้เขาก็ไม่เชื่อถือคือเครดิตไม่ไมีเพราะสัยนี้คนไม่มีศัจจกจัจึงมีการขึ้นโลงขึ้นศาลมีตํารวจมีอะไรเยอะแยะหมดแหละอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยยืมตังค์ไม่ต้องไม่ต้องมาเซ็นไม่ต้องอะไรเลยเพราะเขาเชื่อถือกันพูดคําเดียวก็ให้ยื ม, มแล้วเดี๋ยวนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปคนก็ไม่อยากเสียเปรียบคุณธรรมก็หายไปสังคมก็เสื่อมโทรมลงทุกวัน สังคมวัตถุนิยมเนี่ยทำให้จิตใจคนเราตกต่ำอยากกระเสริวัตถุเห็นกระตัวอยากจะได้ของฟรีบางคนไม่มีตังก็ไปขโมยไปปล้นไปจี้ไปเบียดเบียนคนอื่นมาอันนี้ก็เห็นลงข่าวดนังสือพิมพ์ทุกวันเพราะคนไม่มีสัจจะสัจจะที่นี้อาจจะหมายถึงการปฏิบัติธรรมขั้นสูงก็ได้ที่เราตั้งใจจะยกมือสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราตั้งสัจจะไว้เราก็ต้องยกให้ใหสาเร็จ หรืเดินยงโกมสครึ่งชั่วโมงท้าเราตั้งสัจจะไว้วเราก็ต้องทําให้สําเร็จแต่ถ้าเราไม่มีสัจจะตั้งใจ ย, ยกสักสิบห้าทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยยกไปไม่กี่ทีแม่เอาวละปวดเมืเอ่อยมือยังเลยทรมานอย่างแมวดีกว่าเลิกเดินจองกกมไปไม่กี่ก้าวเดินกลับไปกลับมาตั้งใจจะเดินสิบห้าทีอ้าวไม่ไหวละหน้าหน้าลำคาญเหลือเกินฟุ้งซ่านเลิกดีกว่าก็าเลยทําอะไรก็ไม่สําเร็จอ่ะคือทําไปแล้วก็เลิก ตอนแรกความคิดมันก็ตั้งเป้าไว้ดีแต่ทําไม่สําเร็จล้มไปก่อนเลิกไปก่อนถ้าเรามีสัจจะเรา ก, ก็ต้องทำให้สําเร็จให้ได้อันนี้คือข้อดีของสัจจะข้อที่สองคือธรรมะธรรมะคือความข่มใจจากกิเลสข่มใจในที่นี้ก็หมายถึงข่มจากบางทีเพื่อนชวนไปกินเหล้าเราเห็นว่าการกินเหล้าเนี่ยทำลายสุขภาพไรสาระบางทีเราไม่ไปกินก็ได้หรือชวนไปเล่นไพ่ชวนไปเล่นการพนันทุกชนิดแหละ ชวไปอาใบบุก ต, ต่างๆเราไม่ไปก็ได้ถ้าเรามีธรรมะหรือการข่มใจต่อกิเลสแต่เราไม่มีเนี่ยใครไปชวนเราไปหมดแหละความคิดสั่งให้ไปเราก็ไปเลยเราต้องไปท่านความคิดคือไม่มีตัไม่มีโยนิโสมนัสิการคือตัวกองคือพิจารณาอย่างมาครั้งอา่าวเราเห็นเพื่อนลงไปแชรภูมิลงไปแกล้งคอถ้าเราเป็นคนที่ตามใจกิเลสเราก็จะลงทันทีเลย หายผลรองรับไม่ได้อะไรลงไปทําไมบางคนก็ลงไปไม่ได้ซื้อของหรอกลงไปเดินเล่นของก็ไม่ได้ซื้ออะไรแต่มีความสุขเล็กๆน้อยๆหรือไปกินอาหารอร่อยๆสักมื้อหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีธรรมะเราก็รู้เวะวันนี้เราคนอื่นเราก็ไปแล้วก็เปลืองที่นั่งเหตุผลในการซื้อของเราก็ไม่มีแต่เรามีเราค่อยมีธุระอะไรอย่างค่อยลงไปคุ้มค่าแล้วก็ไม่เบียดไปนคนอื่นด้วยบางทีที่ให้คนที่เขามีธุระจริงๆลงไปบางทีรถก็ จะได้ไม่เสียที่ด่างโดยเปล่าประโยชน์แต่ถ้าคนคิดว่าเป็นรถคันไหนลงไปไหนก็ไปหมดแหละไปเขาหมดแหละคือตามใจตามใจตัวเองชัวในที่สุขสานบันเทิงก็ไปหมดท่านทุกทนคนเราต้องมีธรรมะชีวิตถึงจะไม่ตกไปทางกิเลสมากเกินไปและข้อนี้เป็นข้อดีทำให้เราสามารถรักษารายจ่ายได้เพราะบางคนเนี่ยใช้เงินตามใจกิเลสมีเงินเดือนมากหาได้มากแต่รูรั่วมากหาเท่าไหร่ก็ไม่พอ บางีชีวิตครอบครัวก็มีปัญหาเหมือนกันข้อที่ช่วยได้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกังเงินได้มากได้น้อยมันเกี่ยวกับว่าเราอะ่ะมีรู้รั่วมากรู้รั่วน้อยมากกว่าแล้วรวยจนก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวตัวเงินนะรวยจนนี่อยู่ที่ความพอถ้าเราพอเราก็รวยแล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ยังจนอยู่เนี่ยมี10บล้านเขาก็จนมีมีร้อยล้านเขายังจนอยู่เลยยังดิ้นรนอยากได้มากกว่า น, นั้นคือชีวิตเต็มด้วยความดิ้นรนเต็มด้วยความสแสวงหาอันนี้คือคนจน จนรวยอยู่ที่จิตใจอย่างมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งเหตุเกิดที่นรกมีวิญญาณอยู่สองตนรับโทษมานานแล้วก็ได้เวลาจะไปเกิดทันทีโรพยาบาลก็เรียกตัวพบแล้วก็ให้โอกาสวิญญาณสองตนนี้ให้เลือกเอาว่าจะไปเกิดที่ใดมีหนึ่งไปเกิดเป็นผู้ให้ตลอดชีวิตสองไปเกิดเป็นผู้รับตลอดชีวิต ใครเลือกก่อนได้ก่อนวิญญาณตัวแรกอุญญาณไอกอ ร, รีบยกมือขอเลือกขอเลือกข้อที่เป็นผู้รับตลอดชีวิตเพราะเขามองว่าเป็นผู้ให้ตลอดชีวิตแต่ลำบากยมบาลก็หัวเราะบอกเจ้าเนี่ยโลภจริงๆเอางี้ก็แล้วกันไปเกิดเป็นลูกขอทานก็แล้วกันตลอดชีวิตของเจ้าเนี่ยจะต้องเป็นผู้ขอตลอดชีวิตสมใจแล้วตอนนี้ส่วนเจ้าส่วนเจ้าไปเกิดเป็นลูกเศรษฐี ตลอดชีวิตเนี่ยให้ทํา บ, บุญสุนทานช่วยเหลือคนยากคนจนตลอดชีวิตหลังจากอยู่มาตัดสินเสร็จเนี่ยก็สร้างความตกตะลึงให้กับอุญญา้งสองอย่างมากสรุปแล้วเป็นผู้ให้มีความสุขกว่าเป็นผู้รับเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยคนเราชอบเป็นผู้รับมากกว่าไม่ชอบเผู้ให้แต่จิตที่คิดจะให้เนี่ยดีกว่าจิตที่คิดจะเอาผู้ที่ขอทานส่วนมากพื้นจิตจะขี้เหี่ยวนะขี้เหนียวฟักก็ยาก คนรวยเนี่ยคือคนใจกว้างฟักตังก็ง่ายช่วยเหลือคนก็ง่ายแต่ก็ต้องช่วยได้ปัญญานะบางทีถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยก็โดนหลอกลวงหรือช่วยคนที่ผิดก็มีส่งเสริมฝคนผิดเพราะฉะนั้นคนที่ใจใหญ่คนที่ชอบทำ บ, บุญสุนทานใจดีเนี่ยถ้าเกิดชาติน้ามีจริงก็มีโอกาสเกิดเป็นคนรวยได้ถึงชาตินี้ก็มีความสุขคนขี้เหนียวคือคนโลภอยากเจ้าเข้าตัวมาก ก็จะมีคนที่ไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยจะเป็นคนเห็นกันตัวเอาเปรียบเพื่อนไ ป, ไปไหนกันก็ไม่อยากฟักอยากให้เพื่อนเลี้ยงอย่างเดียวเพื่อนก็ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยอันนี้เห็นได้ชาตินี้นะไม่ต้องรอตอนตายแต่ถ้าเพื่อนคนไหนเป็นคนใจดีชอบฟักเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยมีแต่คนรักไ ม, ม่คนเกลียดหรอกอันนี้คือบุญปัจจุบันเห็นผลเลยไม่ต้องรอตอนตายมาข้อที่สามข้อที่สามก็คือขันติขันติคือฟาบทนฟาบทนเนี่ยใช้ได้ทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยมีคนมาด่าเรามีคนมาร่วงเกินเราหรืออดทนรอคอยละนานๆอดทนต่อเรื่องที่ขัดใจเราไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นไปตามใจเราที่เรานึกไว้อดทนต่อดินฟ้าอากาศบางวันก็ร้อนบบางวันก็หนาวบางวันยุงก็ชุกชุมเราต้องอดทนน่ะบางครั้งถ้าถ้าคนไม่พออดทนเนี่ยชีวิตมีปัญหานะวันหนึ่งไม่ค่อยมีความสุขหรอกเพราะดินฟ้าอากาศ หรือสิ่งรอบข้างเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นไปตามใจเราเลยอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเราอยากให้มันหนาวมันก็ไม่หนาวนะเราอยากให้มันร้อนมันก็ไม่ร้อนธรรมชาติเขาทาหน้าที่ของเขาบางทีอยากให้คนรอบข้างดีกับเราบางทีเกิดเขาเอ า, ม า, มาราามณ์ไม่ดีเขาก็ไม่ดีกับเราก็มีบางช่วงเนี่ยเขาก็ดีกับเราเขาก็ดีเองอันนี้เอาแน่นอนไม่ได้เรานั้นพอเราเจอเลือดผัดใจบ้างสมหวังบ้างไม่มีหลักประกัน เราทําได้คืออดทนแหละอดทนในที่นี้ก็ทําให้ปัญหาต่างๆเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็หมดปัญหาไปการปฏิบัติธรรมพวกโยก็ต้องอดทนเหมือ น, นกันถ้าไม่อดทนเนี่ยยกมือไม่ขึ้นหรอกยกไปเดี๋ยวก็เลิกปฏิบัติธรรมไปเดี๋ยวก็ท้อเบื่อหน่ายหมดกาลังใจแต่ถอดทนไปขี้เกียจก็ทําขยันก็ทําสร้างกําลังใจให้ตัวเองแล้วก็ไม่หวังพึ่ง อะไรภายนอกหวังพึ่งตัวเองอะ่ะทําให้จิตใจเราเข้มแข็งก็ต้องอดทนนะครัวามอดทนช่วยได้ทุกเรื่องคนไม่ไปทไม่ใช้ความอดทนเนะี่ยทำอะไรก็ล้มเหลวเดี๋ยวก็เบื่อทําอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จถ้ามาข้ออดทนเนะี่ยคุมทุกเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนถึงการการที่จะบรรูุ้ธรรมอะไรพวกนี้ก็ต้องใช้ความอดทนมาข้สุดท้ายข้อจากฆ่จากฆ่ก็คือการสละออกการ การสละออนที่นี้หมายถึงการสละความเห็นแก่ตัวก็แล้วกันคุมกว้างหน่อยเพราะโดยธรรมชาติคนเราเนี่ยพอได้มาได้มาก็ต้องระบายออกอันนี้มีกฎของธรรมชาติแต่คนได้มาแล้วไม่ใช้เลยเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำํำในบ่อบางทีหมาเน่าหรือแมวหรือสัตว์เล็กๆตกไปก็เหม็นละเพราะน้ำํำในบ่อเนี่ยมันเล็กไม่มีที่ไม่มีที่ถ่ายเทแต่ถ้าเกิดเรา ได้มาแล้วให้ไปเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ําในสระน้ําในคลองน้ําใดแม่น้ํามันจะหมุนเวียนถ่ายเทตลอดได้มาให้ไปเดี๋ยวก็ได้มาใหม่อันนี้คือกฎของธรรมชาติทําให้ชีวิตสมดุลด้วยบางทีเราก็ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนคนที่ไม่มีถ้าเป็นโยมที่มีฐานะหน่อยบางทีก็ต้องทําบุญตักบาตรอันนี้เป็นรากฐานของชาวพุทธเลยช่วยให้พวกพระ มีกำลังสามารถปฏิบัติธรรมหรือศึกษาธรรมมาสอนโยมได้หรือไม่ก็รักษาสาานาให้ดำรงอยู่ต่อไปช่วยลูกช่วยหลานก็ต้องอาศัยโยมในแหละเลี้ยงหรือไม่ก็ให้ทานช่วยเหลือเด็กตามชนบทตามหมู่บ้านที่ยากจนอะไรเงี้ยบางทีผราชการเขาช่วยอยู่บางทีก็ให้ผระหมให้อาหารยาที่เขาขาดแคลน ยามเกิดอุทกาภายัยอันนี้ก็ไปจากพะช่วยพ่อแม่ไม่ทอด ท, ทิ้งท่านญาติพี่น้องอะไรเงี้ยแต่ข้อนี้จริงๆแล้วคือการสละความเห็นแก่ตัวแต่ถ้าเราเห็นแก่ตัวมากเนี่ยเราก็ไม่อยากให้ใครหรอกเราได้ของมาเราก็อยากเก็บไว้คนเดียวไม่อยากแบ่งคนอให้หใช้ข้อจากพะคุมคุณธรรมหลายเรื่องนะหนึ่งลดความเห็นแก่ตัวพอลดความเห็นแก่ตัวปุ๊บเนี่ยคุณธรรมต่างๆก็เข้ามาหาเราทําให้เราเป็นคนใจไม่แคบ ใจดีถ้าเราเป็นคนใจแคบปุ๊บเนี่ยอะไรอะไรก็ไม่ดีหมดแหละมันจะเอาเข้าอะ่ะไม่มีคิดเอาออกมือใครยาวสาวได้สาวเอายุคนี้เราสังเกตผู้สอสอผู้ว่ารบาลตีผู้นักการเมืองเนี่ยจะไม่ค่อยมีธรรมะคารวาสถามสี่ประการหรอกเขาก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวนั้นแหละบางทีก็กะล่อนหาคุณประโยชน์กันมีธรรมะของคารวาสแบบที่พระเจ้าบอกแหละโลกนี้แทบจะไม่ต้องมีกฎหมาย ไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีคุกเลยแหละอยู่กันแบบไม่เบียดเบียนอยู่กันแบบผาสุกพระแม่ชีโยมในวัดก็อยู่อย่างผาสุกไม่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันพระทุกคนก็ทำตามหน้าที่ไม่มีการแย่งอำนาจกันใครมีหน้าที่อะไรก็ช่วยกันทำไปไม่มีอิจฉากันแต่ถ้าเกิดไม่มีธรรมะสี่ข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวก็อิจฉากันแล้วไอ้คนนี้มีผลประโยชน์มากกว่าไอ้คนนี้มีตำแหน่งดีกว่าเดี๋ยวเราหาโอกาสกําจัดหรือไม่ก็ต้อง พยายามเลียขาเก้าอี้อะไรเงี้ยสังคมก็อยู่กันไม่สุขละแต่ถ้าอยู่กับพี่น้องเอา้าให้เกียรติซึ่งกันและกันคนที่ทําหน้าทีน่นี้เพราะความสามารถคนเราเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ละคนถนัดคนละด้านถ้าเราสามารถใช้ฝาสาความสามารถของเราเนี่ยร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยแม่ชีพระญาโ ย, ยมเนี่ยว่าเราอยู่อย่างผาสุขเลยไม่มีคําอิจฉากั น, ใ ค, ก น, น, ก น, นใครเก่งด้านนี้ไปทําด้านนี้ใครเก่งด้านนู้นไปทําด้านนู้นบาคนก็เก่งด้านคอม บางคนก็เก่งด้านช่างช่างช่างออก่อปาช่างไฟฟ้าบางคนก็เป็นช่างไม้บางคนเป็นหมอแล้วก็มีอย่างหลายวิชาชีพบางคนเป็นทนายถ้าเรารวมกันแต่ละคนน่ยไอคนไหนขาดเราก็เอาส่วนที่ของเพื่อนที่เก่งมาเติมมันก็ทําให้ทําให้สังคมนั้นชุมชนนั้นพัฒนาอย่างวขาป่าสุก โ, โตโชคดีนะมีบุคลากรเก่งมาอยู่เต็มไปหมดเลยวัดอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกบนเขาเนี่ย มีแต่เรื่องปวดหัวมีแต่เรื่องเบียดเบียนกันเพราะว่าบางทีครูบาจารย์เขาก็ไม่ได้สอนอันมาเห็นบางวัดเนี่ยพระในวัดก็เกเรเกัเกเกเกเกบทั้งวัดแล้วก็อยู่ด้วยกันแห ล, ละคนเราเคากันได้ทาตคนดีๆก็อยู่ด้วยไม่ได้คนไม่ดีก็อยู่ด้วยกันหมดแหละบางทีก็ดูบุหรี่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบฮีโนคาโมไม่คิดปฏิบัติธรรมไม่คิดทีจะพ้นทุกข์ไม่เรียนธรรมะคิดแต่เรื่องโลกโลกสะสมราชกาัลละ หาว่าถุยามากที่สุดอันนี้มีมีภคคิดอยงนี้เยอะหลายวัดน ะ, ะมาเห็นเห็นอยู่แต่ถ้าเขาตั้งใจบวชชีวิตก็ไปอีกแบบหนึง่งมันจะไม่ไดินลนอะไรมากอยู่สบายระบายรัศักระมีก็เราก็เรา ก, เราก็เราก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้ถ้าคนหวังรัศักระอยู่วัดไหนกม็มีปัญหาหมดแหละติดลนอยู่แล้วเดี๋ยวก็ทะเลกกาะกันไม่มีความผาสุกเลย สู่อยู่แบบใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาเรียบง่ายไม่ได้ฟารมโลภเนี่ยเป็นกิเลสที่น่าเกลียดที่สุดในในพระสงฆ์นะตัวโลภเป็นตัวที่น่าเกลียดโลภในที่นี้ไม่ไม่ได้หมายถึงต้องเป็นเงินเท่านั้นหมายถึงอาจจะอยากได้พักครูอยากได้เจ้าคุณอยากได้เจ้าคุณขั้นนูน้นขั้นนี้อะไรเงี้ยหรือไม่ก็ต้องมีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังนับหน้าถือตา หรือไม่ก็ต้องมีรถเกง๋งหรูๆประจำตำแหน่งดีกุติแบบรีสอร์ตอะไรเงี้ยมีอะไรที่แบบชาวโลกมีอะ่ะ ต, ตัวเองก็มีหมดอะ่ะมีห้องแอร์มีเฟอร์นิเจอร์แพงๆอันนี้ก็คือเดินออกนอกทางที่พระดเจ้าสอนมากแล้วสวยพุทธการเนี่ยพระก็อยู่ป่ากันอยู่ปา่ปาใช้ชีวิตแบบง่ายๆไม่ได้เหมือนพระสมัยนี้สไตนี้เป็นยุควัตถุนิยม บางทีอาามาเห็นผ้าเนี่ยเดินเรีย่ยไรตามตลาดเนี่ยถือซองข้าป่าไปแล้วก็ไปบอกบุญกับโยมอย่างวัดป่าสุก โ, โตเนี่ยไม่มีตู้บริจาคแล้วอาตมาก็ไม่เคยขอตังค์ใครด้วยไม่ว่าเป็นโยมเป็นเป็ น, ปน แ, บบมแม่ชูแม่ชีอะไรก็แต่เพราะว่าเขาอยากให้เขาให้เองไม่ให้เราก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่สนใจแต่ได้พ้าอื่นเนี่ยเห็นโยมมาบางทีขอตังค์ดื้อเลยก็มีเขาเขาปลูกฝังแบบนั้นมา ขอให้ทําบุญนู่นทําบุญนี่อะไรเงี้ยอันนี้เดินออกนอกทางมากสมัยพุทธกาลเนี่ยมีผ้ารูปหนึ่งไปปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่ในปา่าแล้วก็ตรงนั้นมีนกฝูงใหญ่เลยร้องกันเจียวเจียวเจีย ว, เ, ยวเท่านี้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เลยนกรบกวนไม่รู้จะทําทไงดีไปปรึกษาพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าบอกให้ให้ผ้ารูปนี้ไปขอขนนกตัวละเส้นให้ขอทุกวันผ้ารูปนี้ก็ทําตามขอทุกวันทุกวัน สงสัยนกก็คง ฟ, งฟังภาษาคนรู้เรื่องจนนกรำคาญนะ่ะนกหนีไปเองเลยหนีไปหนีไปทั้งฝูงเลยแ ล, แล้วก็เป็นสุภาษิตผู้ขอย่อเป็นที่รังเกียร์ของผู้ให้บางทีโยบภาวนาว่าจะให้นู่นให้เนี่ยแต่ถ้าพาไปขอเขาจริงเนีโยมก็ไม่ชอบเหมือนกันอย่างคนบาวนาอับมาว่าย่อแย่หมดเลยอัตมาก็ไม่ขอไม่เคยขออะไรเขาเลยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราขอปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ถึงเขาภาวนาจริง ก็เลยทําให้แบบเขาอยากให้ก็ให้เองไม่จำเป็นไปขอเขาแต่อนามาก็ไม่รู้นะพระท่านอื่นคิดแบบอนามาหรือเปล่าเพราะว่าคนเราเนี่ยความคิดอุดมการณ์ต่างกันคิดไม่เหมือนกันบางคนก็มีความสว่าได้เงินมากดีอะไรได้มาดีของฟรีใครก็ชอบอะ่ะถ้าร้านไหนเราไปร้านอาหารเนี่ยเราไปกินแล้วเขาไม่เก็บตังค์เนี่ยบางคนก็เวียนไปอีกอนามายังไม่ไปเลยเพราะเรารู้ว่าไปทานอาหารแล้ว เขาเก็ียดต่างแล้วเกลีใจเขาเพราะว่าเขาต้องลงทุนไงเอาเป็นว่าจิตที่คิดจะให้ดีกว่จิตที่คิดจะเอาผู้ขอย่อมปที่ลังเกียจของผู้ให้เพราะคนเราจะมีความสุขได้ก็ต้องมั่นใจตัวเองพึ่งพาตัวเองได้อย่างมีที่ทานเซนอยู่เรื่องหนึ่งมีมีวัดเซนอยู่วัดหนึ่งวันหนึ่งมีขอทานมาขออาหารขอทานคนเนี้ยมีแขนเดียวจเจ้าวาด เห็นเข้าก็ชี้มือไปที่กองอิฐที่อยู่สาราหน้าบอกช่วยย้ายกองอีกองเนี้ไปข้างหลังทีขอทานแค่เดียวก็ไม่พอใจอีฟ้าสื่อว่ามาขออาหารแล้วงานขนหินเนี่ยก็คิดว่าเป็นงานที่หนักสําหรับขอทานเพราะว่าตัวเองไม่ถนัดอยู่แล้วก็เลยพูดทํานองว่าถ้าท่านไม่ให้หาเราเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่จําเป็นต้องมามาใช้นู่นใช้นี่อะไรเงี้ยคือไม่พอใจ เจ้าวาดก็ไม่ว่าอะไรก็เดินไปย้ายก้กอนหินโดยใช้แขนเดียวย้ายให้ดูหลายก้อนเหมือนกันขอทานไม่มีทางเลือกก็เลยย้ายก้อนหินจนหมดกองและพอย้ายเสร็จเจ้าวาดก็มอบเงินให้ให้เป็นรางวัลขอทานคิดไม่ถึงว่าจะได้เงินรางวัลนี่ยดีใจใหญ่เลยขอบคุณแล้วขอบคุณอีกเจ้าวาดบอกไม่ต้องขอบใจหรอกอันนี้เป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงของท่านเองแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานขอทานคนนี้ ก็ เ, เปลี่ยนไปตอนหลังกลับมาใหม่าก็กลายเป็นคนแต่งตัวดีมาถึงก็มากราบไหว้เจ้าวาดัดขอทานเนี่ยเขาเปลี่ยนชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเริ่เรมเห็นคุณค่าตัวเองตอนที่ทํางานนั่นแหละแล้วเจ้าวัดให้ตังกันแหละคือเขาเริ่มเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์เขาเลยเปลี่ยนเลยเลยพัฒนาตัวเองก็ เ, เห็นว่าเงินที่เขาได้มาจากหยาดเหงื่อของเขาเนี่ยเป็นเงินที่ได้มาโดยชอบมีศักดิ์ศรีมีขอทานคนนึงก็มาขอทานวัดนี้แหละเจ้าวาดัด ใช้ขนหินแต่ขอทานคนนี้ไม่ขนเลยดอกน่าไว้ไปเลยแล้วขอทานคนนี้ก็อย่าไปขอทานตลอดชีวิตแล่วแหละนิทานเสร็จเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดตรงที่ว่าคนเราบางครั้งเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่เห็นคุณค่ามันก็อยากได้ของฟรีอยากสบายอันมาพูดมาก็เห็นว่าสมควรกับเวลาเขาพูดเร่อเปื่อยไม่ได้เตรียมเรื่องเลยนึกอะไรออกก็พูดไป ก็คงพวกญาติโอ้คงฟังได้นะก็ขอจบลงแค่นี้แล้วกันขอความสุขความเจริญธรรมจงมีแก่ญาติธรรมทุกท่านอหวัง